มาที่บ้านครูวชรีครั้งโยมธรรมนูนแล้วก็ครูวชรีได้ปลาลบเรื่องของการทาบุญซึ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง้างหลังได้ยินเสียงไหมไม่เคยได้ยินจะยินไหมทำามไม่เคยยืนขยับก็ไม่นอนทำไมใกล้มากหลังท่านลยไกเลยครับไกลไกเลยครับเยอะขึ้มา ถ้าใครไ ม, ไ, มไม่ได้ยินยกมือขึ้นไม่ได้ยินยกมือขึ้นจะยินไหมถ้าใครไม่ได้ยินอยากมาแต่ว่าได้ยินอยู่ข้าหลังได้ยินแล้ว <c oughs> ไม่ยิน <c oughs> ไม่ยินนะเมื่อช้าเราก็ได้ทําบุญถวายสังฆาทานที่เป็นพัะตาหารท า, ทานถวายแด่สงซึ่งความหมายของการถวายพัะตาหารแด่สงมันเป็นการสละบพร้อมทานนั้นเพื่อสง หมายถึงว่าเมื่อเราได้กล่าวคําถวายทานเสร็จของทานทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นของสง์และก็ไม่ใช่ของภิกษุสงคําว่าสงกับภิกษุสง์มีความหมายแตกต่างกันสงหมายถึงว่าเรียกว่าสงมู่ใหญ่คือสงทั่วทั้งสังขมนตลเรียกว่าของทานที่เรายกมาถวายเป็นสังฆทาน น, น, นั้นเป็นของกลางเพื่อสงฉะนั้นการที่ภิกษุสง์จะบริโภคหรือพวกเราเจริโภคของทานนี้ได้ จะต้องทําการอัปโลกเรียกว่าแบ่งของสังฆธท า, ธานจึงได้มีกิจพิธีในการแบ่งของสังฆทานเรียกว่าอัปโลกนา ก, กรรมเป็นวินัยสง์หรือว่าวินัยกรรมอย่างหนึ่งที่พิสูจนจะต้องกระทําโดยองค์ภิกษุสีรูปขึ้นไปมีอํานาจในการแบ่งของสงนี้บริโภคใช้สอยเรียว่าภิกษุสีรูปจึงชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งสงหรือว่ามีอํานาจทางสง ที่จดแบ่งของสังฆทานนี้ไว้บริโภคสำหรับีิสุดสงฆ์เองแล้วก็ประกาศแบ่งไปถึงญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงสามารถบริโภคของทานนี้ได้โดยที่ไม่มีโทษในการบริโภคอาหารนั้นหากทยทานหรือพระตาหารทานหลอ่อใดที่เราทั้งหลายได้ตั้งไว้แล้วเพื่อสงฆ์โดยไม่ผ่านวิธีการตามวินัยสงฆ์นี้วินัยกรรมนี้ โดยพระสงฆ์ไม่ได้ลงมติในการประกาศแบ่งไว้หากเรานําไปบริโภคก็จะมีโทษในาฐานะของผู้ขโมยของสงฆ์หรือว่ากินของสงฆ์นั่นเองมีโทษแม้ภิกษุเองถ้าไม่ไทําอย่างนี้ก็เป็นผู้ขโมยของสงฆ์เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติในาการถวายสังฆทานเมืชานี้อาจจะเป็นความแปลกาจากที่ที่ทั่วไปที่พวกเราเคยคุ้นเคยกันก็เกินไว้เพื่อให้ทราบ ในความสงสัยในบางคนที่มีความสงสัยอันนี้ก็ อ, อในโอกาสต่อไปนี้อาตมาก็จะได้แสดงธรรมให้พวกเราทุกคนได้ฟังสะดับเพื่อเพิ่มภูลบุญกุศลและเป็นการเกื้อกูลต่อปัญญาของเราที่ได้จ ะ, ะเป็นผู้ฝึกหัดปฏิบัติ จ, จิตใจตัวเองและจะน้มนำหลักธรรมคำสอนที่จะอธิบายนี้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 ผู้ปฏิบัติที่สมควรแล้วก็จเจริญพรญาติโยมทุกท่านในวันนี้การฟังธรรมเทศนาไม่จำเป็นจะต้องพนมมือนะให้วางมือไว้ตามปกติแต่ขอให้ตั้งใจฟัง พวกเราทุกคนที่ได้เกิดขึ้นมาล้วนแล้วแต่มีความไม่รู้ที่พระเจ้าใช้คาว่าอาวิชชาติดตัวมาตั้งแต่วันเกิดและความไม่รู้คือตัววิชานี้เองไม่ใช่เกิดมาพร้อมกับดวงจิต ด, ดวงใจเราแต่เป็นสิ่งที่หมักดองหรือครอบงาจิตใจเรามาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาเกิดวาละแห่งการเกิดของพวกเราจึงเกิดมาพร้อมด้วยความไม่รู้การที่เราเกิดมาในโลก พร้อมด้วยความไม่รู้เราจึงมีวิธีการต่างๆเพื่อสร้างความรู้ให้กับพวกเราในวัยเด็กเราถูกส่งไปที่โรงเรียนเพื่อให้เป็นล่ําเรียนตํำรับตําราหนังสือเพื่อให้เกิดความรู้แต่เราก็เรียนรู้ตามแบบวิธีการในทางโลกที่ได้ถูกสั่งสอนมาแล้วก็มีความรู้ในวิชาวิชาการนั้นๆและความรู้ของเราก็มีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษามัธยม แล้วก็ปริยติปริยโทรปริยเอกหรือว่ามีการศึกษาความรู้ในด้านไหนที่สูงส่งหรือว่ามีความรู้ชั้นสูงที่แยกไปเป็นสายเราผู้ไฟในการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ได้เรียนรู้ในศาสตร์นั้นนั้นความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความรู้เพียงเพื่อการดาเนินชีวิตเพราะชีวิตของเรานั้นหากใช้ชีวิตโดยความไม่รู้ เราก็จะทำสิ่งที่เป็นความผิดพลาดให้กับชีวิตความรู้จึงเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งที่ประดับอยู่ในชีวิตของเรา <c oughs> การที่เราจะต้องมีความรู้มันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยปราศจากความไม่รู้ไม่ได้เราจึงถูกสั่งสอนให้มีความรู้ ตามหลักวิชาการเพื่อความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตร่วมโลกหรือใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมที่เราเอาศัยอยู่ <c oughs> เราจะมีแบบแผนข้อปฏิบัติต่างๆนานามากมายที่ทางสังคมกาหนดทางค่านิยมในแต่ละพื้นที่เขาได้กำหนดมาเราก็เพื่อปฏิบัติตามนั้นบรรดาความรู้ทั้งหมดที่เราใช้มาใช้เพื่อเป็นเครื่องเลี้ยงชีพเนี่ยเราก็ใช้มาเพื่อ ให้ชีวิตของเราไม่ได้รับความทุกข์ยากลําบากมากและไม่ได้รับความฝืดเคืองมากเพราะความรู้จะเป็นเครื่องช่วยให้เราแก้ไขปัญหาชีวิตในเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือว่าดํารงชีพแต่บรร ด, ดาความรู้ทั้งหมดเหล่านั้นยังไม่สามารถกําจัดทุกข์ให้กับพวกเราได้พุทธเจ้าเองก็ตามพระองค์ก็ก่อนที่จะมาตรัสรู้พระองค์ก็เหมือนกับพวกเราคือมีความไม่รู้อยู่ในจิต คูกความไม่รู้นี่ครอบงำตัวอวิชชาคือความไม่รู้นี่มันทำให้พุทธองค์ไม่สามารถที่จะดำลงอยู่ในลัสมบัติโดยนิ่งดูได้หมายถึงว่าพงค์มองเห็นความทุกข์ที่อยู่ภายในชีวิตของมนุษย์แม้มนุษย์จะมีวิชาความรู้ต่างๆนาน า, นา ม, มากมายและ พระ อ, องค์ในขณะที่เป็นเจ้าชายศิทธะนั้นก็ได้รับความรู้การศึกษาเล่าเรียนทุกขแขนงที่เป็นอยู่ในเวลานั้นแล้วพระองค์ก็ศึกษาเรียนรู้ในวิชาทุกขแขนงและเกิดความรู้ทุกๆวิชานั้นที่เรียกว่าเป็นหนึ่งเป็นเอกเป็นผู้เป็นเรียกว่าวิชาการใดๆก็ตามก็สอบได้ที่1แต่ความรู้เหล่านั้นไม่สามารถดับทุกให้กับพระ อ, องค์พระ อ, องค์จึงมองเห็นพลทั้งหลาย ที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แม้จะมีความรู้มากมายต่างๆนาน า, นาประการที่แตกต่างกันไปแต่ไม่มีใครเลยที่มีความรู้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ให้กับตนเองฉะนั้นความรู้ในทางโลกแม้จะมีอยู่มากแค่ไหนก็ตามความรู้เหล่านั้นไม่มีคุณค่าพอที่จะดับทุกข์พระองค์จึงอาศัยบุญเหตุนี้เป็นเครื่องผลักดันให้พระองค์ได้สแสวงหา ความรู้ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์จนทําให้พระองค์ต้องสละล่าสมบัติแล้วก็ออกผนวดใช้เวลาในการบําเพ็ญหรือสแสวงหาความรู้เรียกว่าสแสวงหาโบคขธรรมนะทำมันเป็นไปเพื่อความพ้นจากความทุกข์เป็นระยะเวลาหกปีพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงอันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์และความรู้ ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ที่พงทรงตัสรู้นั้นเป็นความจริงที่มีอยู่ชีวิตของคนนี่นเองไม่ปใช่ความจริงที่มีอยู่ที่อื่น <c oughs> การที่พระองค์ทรงตัสรู้แล้วบอกว่าพระองค์ทรงรู้เท่ากับว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเคยเรียนรู้มาทั้งหมดก่อนที่จะมารู้ความจริงนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไม่ใช่ความรู้เพราะมันไม่สามารถดับทุกข์ได้มันจึงไม่เป็นความรู้แต่ประการใด เป็นเพียงแค่เครื่องช่วยให้พวกเราดำรงชีพให้มีชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ด้วยวิชาความรู้วิชาการเรามีวิชาความรู้ใดๆเราก็ใช้วิชาความรู้นั้นๆในการเลี้ยงชีพแต่การที่เราจะใช้วิชาความรู้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นั้นไม่ใช่วิชาความรู้ทางด้านโลกแต่เป็นการความรู้ความจริงที่เราพวกเราเรียกว่าด้านธรรมะเพราะธรรมะมีความหมายว่าสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงหรือ สิ่งที่แสดงออกถึงความจริงฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดในวิชาการทางโลกไม่มีความจริงสักเรื่องความจริง ม, ม, มีอยู่ในทางธรรมนี้เท่านั้นจึงจะเป็นความจริงทีนี้การที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแล้วเกิดความรู้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้พระองค์จึง บัญญัติศาสนาขึ้นมาเพื่อให้คนประพฤติปฏิบัติตา่างพระองค์ทรงประกาศหลักสัจจะความจริงในข่าวครั้งแรกกับปัจวจกีทั้ง5และสัจจะความจริงในข่าวครั้งแรกที่พระองค์ทรงประกาศออกมานั้นก็เป็นเครื่องยืนยันในสิ่งที่พระองค์ทรงตัดสรู้ว่าการตัดสรุของพระองค์ที่พระองค์ทรงเกิดความรู้ในหลักสัจธรรม ไม่ใช่เพียงแค่พระองค์เท่านั้นที่เกิดความรู้ชนิดนี้ได้พวกเราทั้งหลายก็เกิดความรู้ชนิดนี้ได้เหมือนกันเพราะมีพระอัญญากณันญะเป็นสักขีพยานในการรู้ตามธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นเมื่อพระอัญญากณันญะมีดวงตาเห็นธรรมและมีความรู้ในการที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระอัญญากณทันญะจึงได้เป็น พยานให้กับการตัดสรุปของพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตัดสรุปนั้นสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติตามได้จริงพระองค์จึงได้พร่มสอนปจัจจคีธาห้านั้นให้เกิดความรู้ตามพร้อมกันหมดทั้งห้าและพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้ปจัจจคีทธาหานั้นสิ้นอสวกิเลสหรือว่าดับทุกทั้งปวงในจิตที่มันมีอยู่ เราจึงพอมองออกได้ว่าบรรดาความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดขึ้นมาพร้อมกับความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงมีความทุกข์และเพราะมีความทุกข์นั่นเองความไม่รู้ก็ครอบงาอีกมันวนเบียนกันอยู่อย่างนี้ชีวิตของเราที่มีความไม่รู้ติดตามอยู่ตลอดและครอบงาอยู่ตลอดจึงทาให้เรากระทาสิ่งบางสิ่งบางอย่างเป็นไปเพื่อความหลงได้เสมอ เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้าหรือเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในอีกชั่วโมงข้างหน้านาทีข้างหน้าเราไม่รู้การที่เราไม่รู้อย่างนี้นี่เองมันจึงทําให้เราหวาดวิตกหรือหวาดกลัวและแม้สิ่งใดก็ตามที่เราคาดหวังในสิ่งที่จะเป็นไปในภายภาคหน้าเมื่อเรามีความไม่รู้ในสิ่งนั้นเราก็จะ อยู่ภายใต้ความหวั่นวิตกบางสิ่งบางอย่างที่เราปรารถนาจะให้ชีวิตของเราเข้าถึงความสำเร็จเข้าถึงความสุขมีความสมบูรณ์ในชีวิตหวังให้ชีวิตเข้าถึงความเจริญเราก็กระทำการสิ่งต่างๆเพื่อผลักดันให้ชีวิตเราเป็นไปในฐานที่ดีแต่สิ่งที่เรากระทำบางอย่างมันก็ตรงกับเหตุผลบางอย่างก็ไม่ตรงกับเหตุผลบางอย่างก็เป็นไป เพื่อความรู้บางอย่างก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้หมายถึงว่าเราทุกคนที่เกิดขึ้นมานั้นไม่มีใครปราถนาความทุกข์เราจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ตนเองไม่ต้องไปเจอความทุกข์ไม่ไ ป, ประสบความทุกข์และไม่ให้ทุกข์แทรกเข้ามาภายในชีวิตของเราแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราทำมานั้นมันไม่ได้ทำให้เราหนีออกไปจากความทุกข์ได้เลยเราก็ยังเจอความทุกข์อยู่การที่พงรงตรสอนสัจธรรมให้เป็น หลักความจริงที่อยู่ในรูปแบบของศาสนาที่พวกเรากำลังนับถือกันอยู่ที่พวงทรงตัดตัสรักนาจะทำให้อยู่ในรูปแบบของศาสนาเพื่อที่จะให้เราได้รู้จักสิ่งที่เรานับถืออยู่ว่าการที่เรานับถืออยู่เรานับถืออะไรและการที่เรานับถือสิ่งนั้นและสิ่งนั้นได้บอกให้เราทำอะไรเพราะนั้นเพื่อศาสนาเป็นศานาแห่งสัจจการนับถือศาสนาพุทธจึงเป็นการนับถือสัจจ์ การนับถือสัจจะคือการยกความจริงเป็นใหญ่ทําไมเราต้องเอาความจริงเป็นใหญ่ก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันไม่จริงมันก็คือสิ่งที่มันไม่จริงความไม่จริงจะทําให้เราไม่สามารถพ้นออกไปจากวงจรแห่งความทุกข์หรือวงจรแห่งความวุ่นวายหรือมีชีวิตที่ไม่พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดการที่เราติดหลงอยู่ในสิ่งที่มันไม่จริงต่างๆนาน า, นามากมายที่แวดล้อมชีวิตเราอยู่นั้น ชีวิตเราจึงไม่ไดีดีขึ้นไปจากเดิมชีวิตชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมชีวิตเรายังเป็นชีวิตแบบเดิมเดิมอดีตการชีวิตเราก็มีความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นอดีตการที่ยาวนานแค่ไหนก็ตามมีการเวียนเกิดเวียนตายมาเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างสัตว์ประหลาดบ้างเปรตบ้างผีปีศาจบ้างหรือกลับมาเป็นมนุษย์อีกบ้างคือการวนเวียนของดวงจิตดวงใจและขณะนี้ ดวงกิ่ดวงใจของเราก็มาอยู่ในร่างของมนุษย์ชีวิตเราก็ไม่ได้หนีออกไปจากชีวิถีชีวิตเดิมๆคือยังวนเวียนอยู่แบบนี้เดิมๆ <c oughs> เพราะเราติดอยู่ในสิ่งที่มันไม่จริงสัจจะหรือว่าความจริงจะเป็นเครื่องแสดงออกและชี้ให้เห็นสิ่งที่ไม่จริงว่าอันนั้นไม่จริงและสิ่งที่เป็นจริงว่าเป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงคืออะไรและสิ่งที่ไม่จริงคืออะไรสิ่งที่เป็นจริงที่องค์ทรงตรัสไว้ในรูปของสัจจะพระองค์ทรงตัดไว้ว่า ทุกสัจจะนี่คือความจริงอันดับที่1นึ่งแล้วโพลทรงตัดความจริงอันดับที่สองว่าสมุทัยสัจจะนี่คือความจริงอันดับที่สองแล้วโพลทรงตัดความจริงอันดับที่3ว่านิโรธสัจจะความจริงอันดับที่3แล้วโพลทรงตัดมรคสัจจะคือความจริงอันดับที่4ไว้อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งตรงข้ามกับสัจจะทั้งสีนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่จริงเราจะสามารถยึดถือความจริงได้ใน สอย่างนี้เท่านั้นทุกขศัจจะนั่นหมายถึงว่าเป็นความจริงตายตัวแน่นอนว่าทุกคนที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องมีทุกอันนี้ตายตัวจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งคนลาวคนพามา่าหรือคนในประเทศไหนก็ตามที่เกิดขึ้นโดยแล้วแต่มีความทุกข์และไม่ใช่เฉพาะคนเทวดาพรหมเปตผีปีศาจอสุรกายสัตว์และฉนันก็ตกอยู่ในสัจจข้อนี้ นั่นหมายถึงว่าสัจจาข้อนี้ครอบคลุมไปถึงภพภูมิเราอื่นด้วยภพภูมิเราอื่นที่ติดบนอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่รู้จักสัจจาตัวนี้นี่เองพระเจ้าทรงตรัสสอนให้พวกเราได้มาเห็นสัจจาข้อนี้วันนี้คือความจริงอันดับหนึ่งเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้จัก เ, เรารู้จักความทุกข์ว่าเป็นความจริงมันได้ประโยชน์อะไรกับชีวิตเรามันจะได้ประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล อาประโยชน์ยังไงเรามารู้จักทุกเนี่ยมันประโยชน์ยังไงประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะไม่ได้หลงชีวิตว่าชีวิตนี้มีความสุขหลายคนที่หลงเข้าใจว่าชีวิตเราจะมีความสุขได้ในโลกใบนี้จึงพยายามสร้างความสุขให้กับชีวิตของตนต่างๆนานาแล้วเราก็มีเรื่องตอบสนองให้ชีวิตเป็นไปเพื่อความสุขแต่เราก็ไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเพราะอะไรก็ความจริงมันเป็นทุกข์สุขสัจจะไม่มีความจริงที่เป็นสุขไม่มีในโลกนี้ แน่นอนยืนยันเพราะฉะนั้นความจริงนี้จะทําให้เราได้ตื่นตัวขึ้นมาและมีสติรับรู้กับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันของเราว่าเรามีทุกข์แน่แและเพราะเรามีทุกข์แน่แเมื่อเวลาทุกข์เกิดขึ้นการที่เราสามารถรู้ความทุกข์นี้ได้มันจะทําให้เราไม่ต้องวิตกกังวลเพราะอะไรก็มันมีความทุกข์อยู่แล้วแน่นอนชีวิตเราเพราะเมื่อเรามีความทุกข์อยู่แล้วความทุกข์จะเกิดขึ้นมากี่มากน้อยก็ตามก็มไม่ได้น่าหวาดหวัน่นน่าหวาดกลัวน่าวิตกอะไรเพราะนั่นคือความจริง แต่พอเราไม่รู้จักความจริงไอ้รู้ไม่รู้จักไม่พอแล้วไม่ยอมรับความจริงด้วยอันนี้สิมันเลยทําให้เราในแสหาทุกข์อยู่เป็นประจำหาเรื่องที่จะเป็นความทุกข์กับตัวเองตัวนี้พระองค์จึงสอนความทุกข์ไว้เพื่อให้เราได้รู้จักเพื่อแก้ไขแก้ไขอะไรแก้ไขว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยที่มันเกิดเมื่อขึ้นมาเนี่ยเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรในวิธีการแก้ไขของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตัดสัจจากข้อที่สองว่าสมุทัยสัจจ์ พอมีเหตุนั่นเองทุกจึงเกิดขึ้นได้สมุทัยแปลว่าเหตุแห่งทุกข์มันเป็นความจริงอีกนั่นแหละ ว, ว่าทุกข์นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ลอยลอยมันมีเหตุมันจึงเกิดขึ้นสมุทัยเป็นตัวเหตุตเหตุที่พระองค์ทรงตรัสสอนว่าเหตุละทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่เราต้องละสมุทัยคือเหตุเราไม่ค่อยได้ละแต่เรามากักจะไปละความทุกข์แล้วก็สร้างสมุทัยมันกลับกันการที่เรามารู้ทุกข์เนี่ย <Kindern> เพื่อที่เราจะได้รู้เหตุและเพื่อละเหตุ การที่เรารู้ทุกข์แล้วรู้เหตุเพื่อที่จะละเหตุเหตุจึงเป็นเครื่องแสดงออกมาพร้อมกับความทุกข์เพื่อให้เราได้ละเราจะต้องไม่สแสวงหาความสุขใดๆมาปรุงแต่งชีวิตของเราแต่เราจะรู้จักความทุกข์ที่มีอยู่แล้วเข้าไปดับที่มันที่เหตุของมันเมื่อเรารู้จักการดับเหตุของความทุกข์ได้แล้วทุกข์ที่มีอยู่ก็ค่อยถูกดับไปทีละเหตุทีละเหตุทีละเหตุจนเหตุนั้นดับได้หมดสิน้น เมื่อเหตุดับด้วยบทสิ้นแล้วความดับไปของเหตุจึงปรากฏเป็นนิโรธนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งหมายถึงว่าต้องทําให้เกิดความแจ่มแจ้งอยู่ในจิตในใจอยู่บ่อยๆอยู่เสมอว่าความดับไปของทุกข์คือเหตุอันที่เกิดมาพร้อมกับความทุกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องละมันเมื่อเราละมันได้แล้วมันก็คือความดับไปของความทุกข์ด้วยเพราะไม่มีเหตุทุกข์ก็ไม่มีนี่คือความจริงอันดับที่3ว่าเมื่อเหตุดับ ทุกกระดับสิ่งนี้ควรจะเป็นสิ่งที่กระทําให้เกิดความแจ่มแจ้งไว้ในจิตอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุไม่ดับทุกจะดับไม่ได้ตราบใดที่ทุกยังมีอยู่แสดงว่าเหตุนั้นยังมีอยู่และตราบใดที่เรายังไม่ละเหตุทุกก็ยังคงมีอยู่และเมื่อใดก็ตามที่มีทุกเกิดขึ้นเมื่อเราละเหตุแล้วเราไม่ต้องกลัวรหรอกว่าทุกที่มันเป็นอยู่จะไม่ดับมันดับแน่ Taylor. แต่มัมกจะไม่ได้ดับตามใจอยากของเราการใช้ความอยากกิงเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามีความทุกข์ อ, อยู่ในขณะที่เป็นอยู่ และการที่พรงษ์ทรงตัดไว้ว่าทุกข์เป็นของที่ต้องรู้สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นของต้องละนิโรธคือความดับไปของทุกข์เราจะต้องให้ทําให้แจ่มแจ้งอยู่ในใจอยู่เสมอการที่เรารู้จักทุกข์ละเหตุให้เกิดทุกข์และทํานิโรธให้แจ้งอย่างนี้ได้ชื่อว่ามรรคมรกําหนดไว้ตายตัวว่าเราจะต้องรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์และก็รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือมรรและเป็นสัจจะตายตัวอีกเหมือนกันว่าเมื่อเราปฏิบัติตามข้อมรร คือทางดำเนินเป็นไปเพื่อความดับทุกนี้ความทุกทั้งปวงจะค่อยๆถูกดับไปแล้วความทุกข์ทางเลเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอีกหากถูกละด้วยกาลังของอริยมรรคทุกจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยในขณะที่เรามีชีวิตอยู่การที่ความทุกข์ไม่ต้องเกิดขึ้นอีกแล้วในชีวิตของเรานั้นเราไม่จำเป็นต้องหาสุขแล้วเพราะอะไรก็ชีวิตไม่มีทุกจะเอาสุขไปทาไมแต่เพราะเรา มีความทุกข์ในชีวิตเรามองไปหาสุขตรงเนี้นั่นคือปัญหาเราคิดว่าความสุขจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ที่แท้จริงแล้วแก้ไม่ได้แต่ทําให้เราติดอยู่ข้องอยู่เพราะความสุขไม่ใช่ความจริงแต่ทุกข์มันเป็นความจริงพระองค์จริงสอนให้ยอมรับละเหตดแห่งทุกข์ทำนิรธให้แจ้งแล้วก็จเจริญมากขึ้นอยู่เรื่อยๆมักจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าทางสายกลางในพืชศาสนา พุศาสจึงมีทางสายกลางให้เราดําเนินคําว่าทางสายกลางนั้นก็คือไม่คลองแวะอยู่ในทางอื่นใดเลยเป็นข้อปฏิบัติภายในจิตใจความรู้ในทางธรรมะหรือทางสัจธรรมคือความรู้เป็นไปเพื่อความดับทุกนี้ไม่ค่อยจะมีสอนกันสักเท่าไหร่เรามีความรู้วิชาการเลี้ยงชีพทางโลกสอนกันมีทุกที่สถาบันทางการศึกษาอาจจะแทรกวิชาธรรมะหรือวิชาแห่งความรู้นี้ ไว้แต่ชั้นตับประถมพอจบประถมแล้วขึ้นมัธยมขึ้นชั้นปริญญาชั้นสูงมันไม่มีในแบบเรียนอีกแล้วชีวิตของเราแม้จะจบการศึกษามาในชั้นปริญญาตรีบรญญาโทบ ร, ริญญาเอกแต่ความรู้ในการเป็นในการดับทุกข์ของเราอยู่ในชั้นแค่ประถมอนุบาลมีสอนหรื อ, อยัง <c oughs> ยังมั้งชั้นประถมเนี่ยเริ่มมี ม, มีมีแบบเรียนกันแบบเป็นจริงเป็นจังเรื่องทางศาสนา ปรากฏว่าเราจะทําการงานใดๆเรายังต้องใส่ใจในการเรียนรู้วิ ช, วชาการนั้นๆให้อย่างท่องแท้เราจึงสามารถนําความรู้และวิชาการนั้นไปทําการทํางานได้เราจะทานอาหารเราต้องรู้จักวิธีการปรุงอาหารมีวิชาการในการสอนวิธีการทําอาหารเราจะขับรถก็ต้องเรียนรู้เพื่อให้ขับรถโดยปลอดภัยเรามีอาชีพเป็นครูต้องเรียนเรื่องของครูที่จะไปสอนนักเรียนคือแต่ละอย่างเราต้องเรียนรู้แต่การดับทุกเนี่ย วิชาการดับทุกเนี่ยยังอยู่ในชั้นประถมอยู่เลยชั้นมัธยมก็ไม่ค่อยมีในแบบเรียนแต่ก่อนนี้มีนะลัางๆนี่รู้สึกจะตัดออกไปนะแล้วเมื่อเราจบการศึกษามาเราก็เลยมีแต่ความรู้ในการเลี้ยงชีพแต่เราไม่มีความรู้เพื่อความดับทุกในตัวเรามันจึงมันจึงเป็นการใช้ชีวิตด้วยความบกพร่องทางความรู้นี้เราก็บอกว่าเราก็มีศาสนาอยู่เป็นเครื่องพ่อม สอนอบรมจิตใจเราแล้วศาสนาที่เรานับถืออยู่ในวันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าศาสนาคือหลักของสัจจะเราแน่นอนใจได้หรือว่าศาสนาที่เรานับถือทุกวันนี้เราได้นับถือสิ่งที่เป็นสัจจะจริงๆเรานับถืออะไรอาตามามองเห็นแต่ความงมงายมองแตเห็นสิ่งที่มันนําเราไปสู่สิ่งที่มันไม่จริงเรามองเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องของอะไรอยู่นอกนอกหลักคําสอนกันทั้งนั้นเลย นั่นไม่คอยู่ในร่องรอยของหลักคําสอนกันสักเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่อาตามามองเห็นแต่ไม่ใช่ว่าบุคคลผู้พึ่ตามหลักคําสอนที่เป็นสัจจานั้นจะไม่มีก็ยังมีอยู่แต่พูดถึงโดยส่วนมากเพราะฉะนั้นเมื่อโดยส่วนมากแล้วคนทั้งหลายหมุนจิตหมุนใจเรือว่าหมุนทิศทางชีวิตของตัวเองไปนในทางที่เป็นความงมงายหรือว่าในความหลงหรือความไม่จริงนั่นนะแน่นอนว่าศาสนาที่เป็นอยู่ก็เป็นศาสนาที่ตอบสนองความไม่รู้ และเราก็ไม่ได้มีชีวิตอะไรที่แตกต่างจากที่ผ่านมาเหมือนกันคือเรามีความไม่รู้อยู่เท่าเดิมหรืออาจจะเป็นการสะสมความไม่รู้พอกพูนมากไปกว่าเดิมอีกด้วยซ้ําเรามีพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งความรู้แจ้งพุทธคือความรู้ความตื่นและเบิกบานเราเป็นพุทธสาวกคือเป็นสาวกที่จะต้องรู้ตื่นเบิกบานรู้แจ้งตามคําสอนของพุทศาสนานี้แล้วเราก็เป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทที่ประกอบไปด้วยความรู้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยสาว พ, พุทธสาวกนั่งรวมกันได้หลายคนเนี่ย หันไปนทางซ้ายนึ่งก็โสดาบันหันไปนทางขวาหนึ่งก็สกทาคามีนั่งอยู่ตรงนู้นก็เป็นอนาคามีพระอริยเจ้าที่ท่านแสดงธรรมก็เป็นพระอรหรันเเมืองนู้นก็มีพระอรหรันเเมืองนู้นก็มีพระอรหรันสอนหลักความจริงคนในครั้งพุทธการจึงไม่หลงประเด็นในการนับถือศาสนาเขาจึงยึดถือศาสนาได้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องไม่มีการยึดถือศาสนาด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความงมงายแต่ประการใดเพราะ พุทธสาวกหรือพุทธบริษัทในครั้งพุทธการประกอบไปได้วยความรู้นพระโสดาบันอย่างอย่างน้อยแล้คือเป็นผู้มูผู้มีความรู้ในอริยสี่เบื้องต้นเนี่ยสการทาคามีก็มีความรู้อริยสี่ในชั้นสูงขึ้นมาอีกอนาคามียก็มีความรู้อริยสี่ชั้นสูงขึ้นไปตามลําดับพระอรหันต์มีความรู้อริยสี่จนดับรอบแล้วดับกิเลสได้รอบแล้วดับความทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงไม่ให้งอกเงย อ, อีกในจิตใน ใ, นใจได้แล้ว ท่านจึงเป็นผู้สมบูรณ์และไม่มีชีวิตอยู่ในวิถีเดิ ม, เ, ดมเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตนเองหมุนเข้าไปสู่วิถีแห่งความหลุดพ้นแล้วก็เกิดความแยมแก้งกระทำกิจในทางศาสนาไม่ได้กระทำปไปเพื่อความหลงงมงายแต่ประการใดก็อย่างว่าแหละระยะเวลาล่วงเลยมาของการสืบทอดศาสนามันก็2560กว่าปีแล้วนะมันก็มีอะไรบ้างที่มันขาดตกบกพร่องหล่นไปและ สิ่ที่สืบทอดมาตกถึงพวกเราจึงเป็นศาสนาในรูปแบบของประเพณีแต่เราจะปล่อยให้เราและพุทธ บ, บริษัทโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาตามประเพณีอย่างนี้ตลอดไปหรือยังไงหรือเราจะสืบทอดพุทธศาสนาแบบประเพณีนี้ไปเราจะไม่สืบทอดพุทธศาสนาทาด้านการปฏิบัติเลยหรือการที่เราได้สืบทอดศาสนาทางด้านการปฏิบัตินั้นพระองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าเป็นการสักการะบูชาตถาคตโดยการประพฤติตามหลักคําสอนนั้นเรียกว่าปฏิบัติบูชา พระองค์จึงสรรเสริญบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่เสมอว่าบุคคลนั้นได้สักกะละเคารพนับถือบูชาตถาคตแต่หากบุคคลผู้ใดก็ตามไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนไม่ยอมรับเอาทางดําเอินสายกลางหรือเอาสัจจะทั้ง4นี้ไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขและดับทุกข์ให้กับตัวของตนบุคคลนั้นแม้จะประกาศเป็นผู้นับถือศาสนาก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็ผู้นับถือและจะกล่าวคาําสรรเสริญพระพุทธองค์อยู่ร้อยปีก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่พวง์ต้องการ แต่บุคคลก็ะไดก็ตามประพฤิปฏิบัติตามหลักคาสอนที่พระพงทรงตัดสอนไว้อย่างถูกต้องบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตและได้เป็นผู้ทําให้ศาสนานี้ได้รับการสืบทอดสืบต่อไปในทางที่ดีที่ถูกเพราะฉะนั้นเรื่องราวของศาสนานคือเรื่องราวแห่งความจริงที่จะเป็นความรู้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์และความรู้นะอาตมาก็เชื่อว่าพวกเราหลายๆคนที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะทําบุญกันในวันนี้ ก็จะมีความรู้อยู่ภายในตนเองอยู่เหมือนกันที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาแต่ละที่แต่ละที่ฉะนั้นอาตมาจึงเปิดโอกาสให้พวกเราที่รับฟังรับทราบการอธิบายธรรมของอาตมาหรือว่า เ, เรื่องราวใดๆก็ตามทางพุทธศาสนาที่เราต้องการอยากจะรู้อยากจะเข้าใจเปิดโอกาสให้พวกเราได้ถามในข้อธรรมที่พวกเราต้องการจะนาไปสู่การปฏิบัติก็ได้ก็สามารถถามได้ มีใครต้องการจะถามไหมใครจะถามนีม่ไหมครับถามเลยถามได้ไเลยนี่เหรอถามว่าทำไนะ ม, มที่น้องไม่เข้ากันแบบนี้ทำไมที่น้องถึงทะเลาะกันไม่เข้ากันพระเจ้าบอ ก, บอกว่าหลักธรรม ท, ที่ควรมีอยู่ใน าการใช้ชีวิตใ น, ในการคลองเรือนหรือว่าหลักธรรมที่จะต้องใช้กับสังคมทั่วไปเขาเรียกว่าหลักสังฆาวัตถุสีหลักสังฆาวัตถุสีเนี่ยเป็นหลักที่น้อยคนจะนํามาสู่การใช้หลักธรรมนี้ให้ถูกต้องโฟงบอกว่าสังฆาวัตถุสีเนี่ยเมื่อไปใช้ในทีน่ไหนๆองค์กรใดๆการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้อง หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหรือประเทศชาติสังขาวัตถุสีจะเป็นเครื่องร้อยดวงจิตดวงใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ในสังขาวัตถุสีนั้นก็มีข้อแรกคือการให้เรียกว่าทานแบ่งปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นอยู่เสมอเราได้สิ่งของต่างๆและได้สิ่งของใดๆมาก็ตามหากเราไม่ไม่เป็นผู้แบ่งปันเราก็จะถูกมองในแง่ที่ไม่ดี อาจจะมีคนมาคอยคิดคิดอิจฉาหรือสยบแต่ตัวเราหมายควาว่าเวลาเราได้อะไรดีขึ้นมาก็ดีแต่ตัวเราคนเดียวอย่างคนอื่นไม่ได้ได้รับความดีจากเราด้วยอะไรเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าทานเนี่ยเป็นอันดับแรกเป็นเครื่องแสดงออกถึงน้ําจิตน้ําใจของเราที่มีความเผื่อแผ่ต่อคนอื่นบางครก็บอกว่าสิ่งของบางสิ่งหรือว่าสิ่งที่ได้มาบางอย่าง มันได้มาโดยยากโดยได้มาด้วยแรงกายแรงใจทรัพย์สมบัติต่างๆก็จะได้มานั้นเราต้องพุ่มเทแรงกายแรงใจมาการจะไปให้คนอื่นเน่ยมันก็ไม่ควรน่ยคนอื่นไม่เห็นได้ทําอะไรแบบเราไม่ได้ทุกยากแบบเราในการที่เราจะได้มาอย่างนี้ ม, มันไม่เหมาะไม่ควรที่เราจะแบ่งปันให้กับคนอื่นการคิดอย่างนี้เขาเรียกเป็นผู้ตนีในทรัพย์ตนีในของของตนแต่ไม่ใช่ถึงกับว่าจะต้องแบ่งปันแบบพระเบชันดอนอนะไรอย่างนั้นะนะท่านบําเพ็ญบารมีอะไรจะใ ห, ให้ท่านให้ได้หมดอ่ะ บำเพ็ญบารมีแต่ในพวกเราไม่ได้ถึงกับเป็นผู้บำเพ็ญบารมีเพียงแต่ว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตในโลกนี้แต่ต้องจําไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตในโลกนี้โดยลําพังเราจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในโลกนี้นาการแบ่งปันสิ่งของของตัวเราแก่คนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างที่พรงค์ทรงมองเห็นว่าจะเป็นเครื่องปลูกปักจจิตใจของคนเคียงข้างให้มีความเห็นมีความรู้สึกดีต่อเรา เมื่อเราให้สิ่งของแล้วแบ่งปันของของเราให้แก่คนอื่นแน่นอนว่าเขารู้สึกดีแต่บางครั้งเราก็บอกว่าเอ๊เราก็ให้อยู่นะแต่ทำไมบางคนมันมันก็ไม่รู้สึกดีกับเราอย่างเงี้ยมันก็มีสังหาวัตถุสีจึงไม่ได้พูดถึงเรื่องทานพ่อเดียวพูดเรื่องอันที่สองคือว่าปิยวาจามีวาจาที่อ่อนหวานกล่าวคําที่อันเป็นที่รักพูดแต่วาจาที่ดีต่อกันมีถ้อยคําเป็นไปเพื่อความเบิกบานใจในกันและกันไม่ใช่ อะไรว่ากันดา่ากันตําหนิแต่กันมึงไม่ดีอย่างนั้นมึงไม่ดีอย่างนี้มึงโกงกูมึงอิดมึงเอาเปียบกูกูทํามากกว่ามึงมึงไม่ทําเท่ากูอะไรประเภทเนี้ยอันั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ปิยะวาจาคือเราจะต้องใช้หลักการนี้ให้ถูกต้องแม้เราเราจะใช้ชีวิตยัยงไงก็ตามเราจะทําดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากเราไม่มีหลักธรรมที่เป็นเครื่องเครือกูลต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะการใช้วาจาในในทางที่ดีเนี้ยเราก็จะไม่สามารถทําให้คนรอบข้างของเรา มีใจเป็นไปอันเดียวกันกับเราได้บางครั้งเราเจ็บปปลบป่วยมาต้องการขอขอให้เขาได้ช่วยพาไปโรงพยาบาลพาช่วยเหลือนั่นช่วยเหลือนี่ในสิ่งที่เราทําให้ได้ในบางประการเขาเห็นความดีของเราเขาต้องช่วยเรา <c oughs> และก็ต้องมีคนเห็นใจเราเนี้ยนี่คือความดีอันดอนดับที่สองอันดับที่สามอัฏฐจริยาประพฤติตนเป็นประโยชน์กับคนอืน่นหมายถึงว่า แม้คนอื่นจะไม่ประพฤติตนที่เป็นประโยชน์กับเราก็ตามแต่เราจะต้องประพฤติตนเป็นประโยชน์กับคนอื่นโดยการช่วยเหลือการงานคนอื่นนะร่วมแรงร่วมใจเมื่อเขาร้องขอมาอย่างนี้สละแรงกายแรงใจไปช่วยเหลือการต่างๆหรือเขาไม่ได้ขอมาเราเห็นว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเขาเขา ม, มีผู้ช่วยเราก็ไปช่วยเขาไม่จำเป็นต้องขอคือแสดงออกถึงความเป็นผู้มีน้ําจิตน้ําใจ โดยการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอัตถะจริยาบำเพ็ญประโยชน์แก่คนอื่นหรือว่าสร้างประโยชน์กับคนอื่นโดยเว่าพี่น้องส่งข้อกันบ้างอนุข้อกันบ้างไม่ว่าเขาจะมายืมสตางยืมเงินเขาเดือดร้อนเรื่องนั้นนี่มาส่งข้อเข้าไปเขาขอยืมอะไรไปก็ก็ให้เข้าไปบ้างเนี่ยคือทําตัวที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอยู่เสมออรรถวิสี 4. สมานตาตาวางตนเสมอกับคนอื่นไม่ยกตัวเองเหนือเขาไม่เอาตัวเองข่มเขา และไม่ดูถูกคนอื่ น, นทำตัวเสมอเขาอยู่เสมอคือหลักธรรมทั้ง4นี้หาใครนำไปใช้ไนหนิที่ไหนก็ตาม <c oughs> พระเจ้าบอกว่าบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ร้อยดวงใจของคนทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นอันเดียวกันกับต น, นะจะนำมาซึ่งประโยชน์และจะเป็นไปเพื่อความสมัครสมาสามัคคีแม้ในพี่น้องก็จ ะ, ะมีการมีความคิดเห็นอะไรที่เป็นเป็ น, ปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สังเกตได้จากครอบครัวของญาติพี่น้องของอาตมาเองตั้งแต่แม่น้าเนี่ยน้าที่ที่เป็นน้องแม่เนี่ยก็ประพฤติทําอย่างนี้พ่อทําข้อนี้ร่วมกันจึงได้เกิดความเป็นผู้เป็นพี่น้องที่มีมีอัธยาศัยเป็นไปในทางเดียวกันไม่ว่าร้ายกันไม่กล่าวร้ายกันไม่อิจฉาริษยามีแต่ช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันเป็นอย่างนี้จริง ในการประพฤติ ธ, ธรรมจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้รับการสั่งสอนมาดีในทางด้านหลักาศาสนาที่ได้ใช้ธรรมข้อนี้อยู่ในตระกูลอยู่ในวงตระกูลอย่างเงี้ยแต่ก็มีบ้างที่ไม่ได้ประพฤติตามหลักธรรมนี้ก็มีทะเลาะเบาแว่งกันเอาเปรียบกันอิจฉากันก็มีไม่แต่เรื่องที่ดินไม่แ ต, เตเ่เรื่องข้าวขอไม่แต่เรื่องนั้นเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองอะไรก็ตามเลยมึงได้มากกว่ากูแม่มึงให้เยอะกว่ากูอย่างเงี้ย มึงยังจะมากบกูอีกหรืออะไรเี้มันมันก็มีพอรเรามีประพฤติทำร่วมกันไม่มีไม่คิดว่าใครจะเอาเปรียบใครอืเรามีแต่สงครอบประโยชน์ให้แก่กันและกันอยู่เสมอมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันที่ดีได้ส่วนมากแล้วพี่น้องที่ไม่ถูกกันหรือทะเลาะ ก, กันก็เนื่องมาจากว่าไม่ได้ประพฤติตามหลักธรรมสังขา ว, วัตถุสีนี้และ สังคมประเทศชาติหรือองค์กรใดๆก็ตามก็มันเป็นกาพึ่งตามหลักสังหารวัตถุสีที่มันมีปัญหาอยู่เข้าใจนะใครจะถามถามมาได้ได้ได้ออเ้าถืแลวคใ การเข้าถึงพระัตนตรัยสีทางเอ๊ะวันนั้นได้ไปหรือเปล่าไปทำไมไม่เข้าใจยังไงไม่เข้าหัวเหรอการเข้าถึงพระรัตนไตคือพระเจ้ากําหนดรูปแบบของศาสนาไว้สําหรับบุคคลผู้เข้ามาสู่พระศาสนานี้จะต้องเข้าสู่โดยการยึดถือพระัตนไตเท่านั้นถ้าไม่ได้เป็นผู้ประกาศตน เขานับถือพระราตรยไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในพุทธศาสนาคือถ้าจะเอาเป็นทางการเลยนะที่เป็นเครื่องรองรับบุคคลที่จะอยู่ในพุทธศาสนานี้ได้หรือเป็นพุทธสาวกได้หรือจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้บุคคลพู้นั้นจะต้องประกาศตนเป็นผู้นับถือพระราตรายนั่นคือการรองรับเป็นทางการในทางศาสนาว่าบุคคล น, นั้นเป็นผู้อยู่ในศาสนาและกระทำคุณงามความดีอะไรในทางศาสนาก็จะเป็นไปพวกความเจริญในชีวิตของตน การเข้าถึงพระราตนาไตนั้นมีอยู่สทางทางที่หนึ่งเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตภาษาบาลีคํามีคํากล่าวว่าอัตสันนิยาตนะคือมอบกายถวายตนมอบร่างกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นย่าี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะพาทําอะไรก็ตาม กายและชีวิตของข้าพาเจ้านี้เป็นไปตามหลักคําสอนที่พรโพลทรงกล่าวสอนไว้อย่างเนี้คือมอบไว้เลยจะไม่จะไม่ขัดขืนดื้อดึงในสิ่งที่โพ์ทรงกล่าวสอนแม้จะตายด้วยชีวิตนี้ก็ยอมประพฤติตามหลักคําสอนนั้นการมอบกายถวายชีวิตนี้ ม, นงงมีพระมหากระสปะเป็นตัวอย่างในการนับถือพระรัตเตัตยพอนี้นะแต่โดยส่วนมากพวกเราจะประกาศตน นับถือพระราตายโดยมอบกายถวายชีวิตในข้อนี้ไม่ได้นะในข้อนี้ไม่ได้พอเช้าบ้านเรายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักคำสอนอยู่ใช่ไหมส่วนมากจะใช้กับพระภิกษุคือผู้มอบกายถวายชีวิตอยู่ในศาสนานี้อย่างเงี้ยอธิอเข้าถึงพระรา ต, าตายโดยมีพระรา ต, าตายเป็นเบื้องหน้าภาษาบาลีว่าตับปรายนะตัปรายนะหมายถึงว่า การที่เราจะเดินไปในที่ที่ใดที่หนึ่งหรือจะไปในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยที่สถานที่แห่งนั้นเราไม่เคยไปและเราไม่เคยรู้ว่ามันจะไปยังไงไปแบบไหนการที่เราไปในที่นั้นๆเราจะต้องอาศัยคนนําทางเราจะไปพระนิพานแต่เราไม่รู้ว่าที่พานเป็นที่ไหนและเป็นยังไงเราไม่เคยไปเราจะต้องอาศัยพระรัตนตรัยเป็นเครื่องนําทางยอมให้พระรัตนตรัยนำทาง พระรัตนใคือคํากล่าวสอนทั้งหมดเป็นเครื่องนําทางตัวเราไปสู่เบื้องหน้าชีวิตของเราเป็นไปในเบื้องหน้าจกเป็นไปอย่างไรนั้นเราก็อยู่ขึ้นอยู่กับผู้นําทางเราหากเขานําทางเราไปในทางที่ดีเราก็ได้ไปดีหากเขานําทางไปในทางที่ไม่ดีเราก็ไปในทางที่ไม่ดีแต่ที่นี้เรามีความเชื่อมั่นไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะต้องนําทางเราไปในทางที่ดีแน่นอนเราจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านนําทางไปเนี่ย ไม่มีการผิดเด็ดขาดเราจึงตกลงปร่งใจให้พระราตนาไตเป็นเครื่องนําทางยอมให้พระราตนาไตเป็นเครื่องนําทางชีวิตแม้ละชีวิตไปแล้วก็เชื่อมั่นอยู่ว่าพระราตนาไตที่เรายึดถือมั่นโดยใจเนี่ยจะนําไปเราไปสู่สุขติภูมิแน่นอนไม่ทาเราไปตกต่ําอันนี้ก็เรียกว่าเข้าถึงพระราตนไตโดยมีพระราตนไตเป็นเบื้องหน้าอันที่3เข้าถึงพระราตนไตโดยมอบตนเป็นศิษย์ศิษย์ ส, ยสยภาวูปคามณะ การมอบตนเองเป็นสิทธิ์นั่นหมายถึงว่ายอมให้พระรัตนตรัยเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์อาจารย์บอกสิ่งใดลูกศิษย์ต้องทำในสิ่งนั้นทางอาจารย์บอกให้ทําสิ่งนี้เช่นอาจารย์บอกว่างดเว้นปนานปฏิบาตงดเว้นอาทินนาทานคือ ง, งดเว้นจากการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติรรกรรมโกหกดืม่มสุราลูกศิษย์ทำไม่ได้ทําไงผู้เจ้าก็บอกว่าก็าหินงดเว้นในการบางาข้าว8ปดข้าหรือสิบห้าข้ามใช่ไหมล่ะเออแปดข้ากับสิบห้าข้าม ง, งดเว้นได้ไหม ลูกศิษย์บอกงดเว้นได้งดเว้นได้ก็ให้งดเว้นในวันพระ8ค่ำหรือ15ค่าในวันปกติแล้วก็ใช้ชีวิตบางทีก็อยู่ในวิถีของการฆ่าบ้างอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาพราะเรายังงดเว้นไม่ได้เราก็อาศัยวันพระ8ค่าหรือ15ค่าเป็นเครื่องงดเว้นบางทีทําการทํางานก็ต้องมีเผล่อเรือบ้างที่จะอยู่ในมือสามาถอย่างนี้มันมันเกี่ยวโยงกันกับการใช้ชีวิตมัน ก, ก็ต้องมันก็ต้องมีวันงดเว้น8ค่ำหรือ15ค่านี่เองเป็นเครื่องงดเว้นแต่พระนั่าไตสอนอย่างนั้น เขาเรียกว่าเข้ามาถึงพระญาติโดยยอมมอบตอนเป็นศิษย์พระญาติสอนอะไรเราจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นอันที่4ี่เข้าถึงพระญาไติโดยการนอบน้อมปณิปาตะปณิปาตะคือการนอบน้อมเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เท่านั้นจะไม่นอบน้อมต่อสิ่งอื่นใด น, นอกจากพุทธเจ้าพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จะไม่ไหว้ผีไหว้ปีศาจไหว้เทพไหวพรมไหวอะไร สารเจ้าพ่อเจ้าแม่สารพระภูมิอะไรพวกนี้จะไม่มีการไหว้ไหวเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เท่านั้นหากเราเข้าถึงพระธาตุใดโดยการการกาบไหว้พระธาตนาตัตายพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วแต่เราจะไปไหว้สิ่งอื่นพระธาตุจะขาดหมายถึงว่าในบรรดาการเข้าถึงพระธาตุใดสี่ทางนี้มีสีทางเท่านั้นนะไม่มีทางที่5มี4ทางนี้เท่านั้นหากเราประพฤติผิดใน4ทางนี้ถือว่าเราเป็นผู้ขาดจากพระรันตนาตไท ไตสารณคมขาดเอาพูดง่ายๆไม่มีสารณะไม่มีที่พึ่งอย่างเงี้ยที่พึ่งในทางพุทธศาสนาไม่มีถือว่าเป็นผู้นับถือศาสนาอื่นแม้ปากจะกล่าวประกาศตนเองว่าเป็นผู้นับถือศาสนาก็ตามแต่ไม่ประพฤติในพระรัตน์ไตในสทางนี้ถือว่าพระรัตนไตขาดแล้วไม่มีการคุ้มครองบุคคลใดก็ตามที่เคยอธิษฐานประกาศตัวเองเข้าถึงพระรัตน์ไตพอกล่าวเสร็จสิ้นจบปั๊บอำนาจพระรัตนไตจะคุ้มครองคนนั้นจะมีพลังอำนาจคุ้มครองคนนั้นไปตลอดทั้งชีวิต แต่หาประพฤติผิดหรือทากระทำขาดเช่นประกาศตัวเองเข้าถึงรัตนาตรัยโดยการนอบน้อมว่าเราจะนอบน้อมต่อพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เท่านั้นจะไม่นอบน้อมต่อศาสต า, า, า, าอื่นไม่นอบน้อมต่อเทพเจ้าองค์ใดไม่นอบน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นนอกจากพระุทธเจ้าพระธรรมประสงค์หาเราไปนอบน้อมและกราบไหว้เส้นสวงกัการะบูชาอันนั้นรัตนาตัยที่เคยปกป้องคุ้มครองาารักษาเราในวันที่เราประกาศเข้าถึงนั่นจะขาดทันทีไม่เหลือในการคุ้มครองรักษาเราตร่งเงี้ยสทางนี้จำไว้ ขาดแล้วประกาศใหม่ไหมาดแล้วก็ประกาศใหม่ได้เดยี่ตกใจครับสมมติว่าเป็นลงว่ายอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆมาที่เขาพากันไปไหว้เนี่ยไหว้เสร็จปุ๊บอ่านรัตน์ไตยขาด ม, มาสำนึกได้ในภายหลังก็กลับใหม่กลักบกลับเ้าเรียกว่าประกาศใหม่ประกาศขอเข้าถึงรัตน์ไตใหม่ได้แต่ไม่ใช่ว่ามาประกาศถึงแล้วไปทำให้ขาดอีกอย่างนี้ไม่ใช่นะครับว่า ขาดหมายถึงว่าไม่รู้เข้าใจไหมไม่รู้จึงไปทําเมื่อรู้แล้วอ๋อแกจะตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทําอีกในสิ่งที่ผิดต่อพระรันตนไตยจะรักษารัตนตรัยที่เรายึดถือไว้ด้วยใจเนี่ยให้ไปตลอดสิ้นชีวิตจะไม่กระทาผิดอีกพอรู้แล้วจะไม่ทําแต่ถ้าประกาศเข้าถึงแล้วปุ๊บพอมันขาดปุ๊บไปทําอีกแล้วมาประกาศใหม่เข้าถึงว่าไต่ไปทําอีกอันนี้ขาดเาวอน่ะเนี่ยไม่สามารถกลับมาสืบต่อได้อีก สมมติไปร่วมพิธีกรรมของเขาเชิญไปถือแอาสนี้เราไปช่วยพิธีกรรมท่ให้ใชแต่ไม่ถือว่าขาดถ้าใจเราไม่นับถือตามนั้นถ้าใจเรายังยึดถือในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้อยู่ตลอดการกระทำอย่างนั้นก็ไม่ผิด ม, มีใครจะถามข้อธรรมอันใด เวลาปฏิบัติธรรมยงมีทำสวนคัวถกติดไปเดือนทีใส่ไม่รู้สึกเจ็บเราไปรับความรู้สึกในสิ่งที่เขาเป็นมาไว้ให้ตัวเองเป็นอันนั้นอ่ะไม่การงานที่ทำก็ทำไปสัตว์ที่ตายมันอยู่ในวิถีของการที่จะต้องตายอยู่แล้วก็นั่นก็คือวิถีของสัตว์ เราต้องเข้าใจวิถีของสัตว์ที่เขาเป็นอย่างนั้นยังไงมันก็ต้องตายเนี่ยแต่ไม่ได้ตายด้วยเจตนาที่เราจะฆ่ามันตายด้วยวิถีที่มันต้องเป็นมันอยู่ในดินอ่ะก็เราทําการงานอยู่บนพื้นดินมันตายแน่นอนอ่ะเรารู้อยู่แล้วมันตายแต่เราไม่เจตนาที่จะฆ่ามันเราก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่หากเราไม่เข้าใจตัวนี้เราก็ไปยึดถือเอาความรู้สึกนั่นเป็นความรู้สึกผิดภายในตนเองอันนั้นเราไปสร้างบาปขึ้นมาเอง จากที่มันไม่ได้เกิดจากบาปด้วยเจตนาของเราแล้วก right ็ไปสร้างมันขึ้นเราก็แบกรับผลบาปนั <t ell> ้นจากสินที่เราสร้างขึ้นนะเข้าใจนะเออเดี๋ยวไปเศร้าหองกับมันงูเยอะยังไงงูเห่างูอะไรเนี่ยถ้าเรางูเยอะมันทำร้ายคนไหมมันจะทำร้ายแล้เราต้องการตัวแบบตีนตายได้การการอย่าจะตีมันตายสิ ผู้เจ้าบอกว่าให้ให้ประกาศพระปรลิตแผ่เมตตาไปถึงมันประกาศบทปรลิตแผ่เมตตาไปถึงเหลางูว่าขอความเมตตาของพระเจ้าจงมีแก่งูตระกูลวีรูปักขอความเมตตาของพระเจ้าจงมีแต่งูตระกูลเอราบทขอความเมตตาของพระเจ้าจงมีแก่งูตระกูลฉัพพยบุตรขอความเมตตาของพระเจ้าจงมีแก่งูตระกูลเออะไร ฉับพยยาบุดอะไรเงี้ยมันมีอยู่นะมันบทบทขันทาปาริตนี่ยังจําได้ไม่หมดเอามาเล่าให้ฟังย่อยๆประกาศพระปริตบทนี้ไม่ต้องกลัวงูนะมันจะไม่ทำร้ายเราแล้ ว, ลวมันจะไ ม, ไม่มันจะไม่เข้ามาอีกมันตกใจก็ไล่ไล่กันไปไล่ไล่มันออกไปก็อย่าไปถึงกับฆ่ากันนะ บางคนก็บอกถ้าอาจารย์งูเข้าบ้านอ๋อมันทําไมเหรองูเข้าบ้านเห็นเขาบอกว่าต้องแต่งแก้มันผิดผีผิดนั่นผิดนี่มีเคาะนะแล้วเอาเคาะเข้ามาในบ้านว่าอย่างเงี้ยแล้วงูมันออกไปหรื อ, อยังออกไปแล้วอ๋อเคาะก็ออกไปแล้วไม่ต้องไปแก้หรอกแต่มาว่าไม่ได้นะเขาบอกมันไม่ดีเอาใครบอกคนข้างบ้านเขาอ่ามันไม่ดีวะนั่นฟังคนข้างบ้านไม่ฟังพุทธเจ้า พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเคาะเราจะดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นกับงูมันขึ้นกับจิตเรานยะคิดดีพูดดีทำดีหรือเปล่ามีใครจะถามอะไรอีกไหมฮะ ดเนี่ยตามขันเท่าหายเนานะตัวนาได้หนึ่งฟอปิได้ห้นอึนออยากจะเป็นสงสยัยมนกันวนุ้นมันทำวุ้นแล้วตันมัจะได้นักไหมมันจะมีอยู่สองลักษณะนะบุคคลผู้ละชีวิตไปแล้วจะเป็นใครก็ตามนะละชีวิตไปแล้วมันจะมีอยู่สองลักษณะฐานะของบุคคลผู้รับบุญหมายถึงว่าหากเขาไม่ได้กระทํากรรมบางอย่างเป็นไปเพื่อปิดกั้นการรับบุญ เขาก็จะได้รับบุญในการที่เราทําอุทิศให้แต่ถ้าเขาทากรรมบางอย่างเป็นไปเพื่อปิดกั้นการรับบุญของเขาเขาเรียกไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญอุทิศบุญไปให้เท่าไหร่ก็ไม่ได้รับอันเนี้ยและทีนี้เรื่องของการอุทิศสุขุชนแล้วให้บุคคลผู้ละชีวิตไปนั้นได้รับบุญตามความปรารถนาของเรามีเรื่องปรากฏอยู่ในติโลกุทธสูตรโสดทิวาด้วยเรื่องการอุทิศสุขุชน เป็นสูตรที่แสดงออกถึงลักษณะความเป็นพุทธศาสนาที่ถูกต้องในเรื่องของการทำบุญอุทิศน่าหมายถึงว่าโดยทั่วไปเรามาักจะอุทิศบุญโดยการกรวดน้ําอัตมาขออธิบายในหลักการนี้ว่าพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงบทบัญญัติในเรื่องของการกรวดน้ําว่าจะสามารถอุทิศสุขส่นให้กับผู้ละชีวิตไปได้ หมายถึงว่าเราจะกวดน้ําเยอะแค่ไหนก็ตามไม่ชื่อว่าเป็นการส่งผลบุญที่เรากระทาไปถึงแก่ผู้ที่ละชีวิตไปเขาจะไม่ได้รับผลโดวยวิธีการอย่างนั้นบุญจะไม่ได้เกิดผลหรือว่าสําเร็จประโยชน์โดยการอุทิศสุขสนในการกวดน้ํเอาแล้วให้ทํำยังไงเราก็ต้องมาดูบทธรรมที่พระจะสวดพระสวดให้พวกเราว่ายะถาบริวารหาปุราปริปเรติสาครังเยาเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกปติบทบทนี้เป็นบท สอนให้พวกเราอุทิศสุสกุศลให้กับผู้ที่ล่าชีวิตไปแล้วการอุทิศสุสกุศลให้เป็นผลสําเร็จแก่ผู้ที่ล่าชีวิตไปนั้นในบทบทนี้คำมีคําคําว่าอุปกปติแปลว่าย่อมสําเร็จนั่นหมายถึงว่าเป็นคําบ่งบอกให้เราได้ทราบถึงความสําเร็จในการอุทิศสุสกุศลว่าจะสําเร็จด้วยวิธีการใดเราก็ต้องมาดูบทที่พระสวดเอวเมวอีโตดินนงังอัญญถาวริวาหานั้นเป็น บทเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมบุคคลผู้ถวายทานว่าเปรียบประดุดดังห่วงน้าที่ใหญ่เท่านั้นไม่ใช่การเตรียมน้ําไว้กลวัวแต่เปรียบประดุดวังว่าบุคคลผู้มีใจที่จะถวายทานนั้นประดุดดังห่วงน้ำดวงจิต ด, ดวงใจของเขานั้นน่ะเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าแห่งการให้ประดุดดังห่วงน้ําที่ยิ่งใหญ่มีจิตมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ป ร, ป, รประมาณนั้นแล้วบทที่ในการอุทิศส่วนคือเอวะเมวะอีตโตดินนงังเปตานังอุปกปติ บทนี้มีความหมายว่าทานที่เราได้อุทิศย่อมสำเร็จแก่พุทธิราโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นทานที่เราได้อุทิศนั้นทานนี้แปลว่าการให้ให้แล้วอุทิศบุญนั้นจึงจะสำเร็จอุปกรปฏิบอกว่าสำเร็จเปตานางแก่เปตาชนผู้รองละไปสะแสดงว่าผลบุญจะเป็นผลสำเร็จแก่พุทธิราชีวิตไปได้นั้นเราจะต้องอุทิศในขณะที่ให้เหมือนที่อาตามาบอกเมื่อเช้ า, ชานี้ว่าให้คิดอุทิศ ในช่วงขณะที่เราได้ให้ทานเอวะเมวะอิโตดินนังทานหรือว่าให้แล้วอุทิตเปตานังอุงปกระกประติย่อมเป็นผลสําเร็จแก่ผู้ที่ละชีวิตไปนี่คือคําก่าวที่พระสวดพระทกทูตจะต้องสวดบทนี้แต่เราไม่ปฏิบัติตามบทสวดนี้เพราะเราไม่เข้าใจเราไปกวดน้ำเข้าใจว่าการกวดน้าคือการอุทิศกุศลซึ่งนําไปสู่ผลสําเร็จการการะทาอย่างนั้นไม่นําไปสู่ผลสําเร็จโดยแท้จริงที่จะสําเร็จได้ก็ต้อง อุทิศพร้อมขณะที่ให้คือมีของให้ทานให้ไปปั๊บวางลงอุทิศว่าบุญนี้จงสําเร็จแก่ผู้ทละชีวิตไปจะเป็นใครก็ได้หรือบทที่เรามักจะกล่าวอยู่เสมอว่าอิดังเมยาติดังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยบทนั้นอ่ะก็เราใช้ภาษาไทยไปเลยว่าบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าขอญาติข้าพเจ้าจงมีความสุขจากบุญที่อุทิศให้นี้ครังพุทธการผู้ทีเจ้าสอนให้พระเจ้าวิปิสสัก็ทําอย่างนี้เหมือนกันในการอุทิศกุศล ให้ทานและอุทิศให้ทานและอุทิศให้ทานและอุทิศนะไม่ได้ปรกวดน้าเพราะนั้นหลักวิธีของการอุทิศสุขสนที่ถูกต้องที่สุดคือการให้ทานและอุทิศทีนี้บางคนบอกว่ากวดน้ำถึงหรือไม่ถึงเราก็ใช้หลักการนี้เป็นเครื่องยืนยันว่านอกจากวิธีการของการให้และอุทิศเนี่ยนอกจากวิธีการนั้นพุทธศาสนาไม่รับรองถึงหรือไม่ถึงพพุทธเจ้าไม่ไม่รับรอง แต่ผู้เจ้ารับรองตรงนี้ยเอวะเมวะอิตโตดินนางเปตานูปกตปิแล้วบอกพระมาบอกโยมทุกครั้งที่โยมได้ถวายทานแต่พระบอกเราด้วยภาษาบาลีใช่ไหมแล้วมีใครรู้เรื่องของบาลีบ้างไม่มีเลยแล้วทําไมกวดน้ํากันถูกอ่ะ <c oughs> ก็เพราะไม่รู้เรื่องนั่นแหละเลยพาการกวดน้ําตามคํากล่าวที่เข้าพากันทําและเชื่ อ, อว่าการกวดน้ําจะสําเร็จผลใช่ไหม <c oughs> ตรงเนี้ย ส่วนใหญ่เวลาเอาปวัจจปติเึ้เจาจเวลาเป็นการตาข้าวเจะนกรม้มันก็ต้องมีนน้ำย า, น า, า, านนเนาะ้าเป็นอะไรกันก็เอาไปรวมๆรมๆร ว, ว, ว, วมกันเีเดียวก็จ ะ, ะ, ะเป็นคว า, ามอนเปนเดอ้อนเป็นพยานนมเอาไว้เอาอย่างเง้ยในพระไตรปิฎกตามหลักคาสอนของพระรไตกล่าวไว้ชัดเจนว่าอของถึงมือผู้รับผู้ให้นั้นคิดอุทิศในขณะที่ของถึงมือผู้รับ คิดในขณะเดียวกันนั้นผลบุญสําเร็จในเวลานั้นทันทีเมื่อผลบุญสําเร็จในเวลานั้นทันทีจะต้องไปกวดน้ําทีหลังอีกทําไมเพราะพ้บุญสําเร็จแล้วในขณะที่ให้อาแล้วก็บอกว่าแล้วเมื่อให้เสร็จแล้วแล้วประกวดน้ําทีหลังเนี่ยก็อุทิศบุญได้อีกไม่ใช่เหรอไม่ได้เพราะบุญไม่ได้เกิดขึ้นในเวลานั้นบุญจะเกิดขึ้นที่กระแสแห่งใจเราในขณะที่ให้หมายถึงว่าเรามีของทานนะ เรามีของทานเราเจตานาที่จะให้แม้เราจะยกขึ้นมาใส่หัวว่าสาธุขอให้บุญนี้ไปถึงคนนั้นคนนี้มันก็ยังไม่ไปไบุญยังไม่สามารถอุทิศได้เพราะของทานนี้ยังไม่ได้เป็นการให้ยังไม่ใช่ทาน<ม>ทานคือการให้ให้คือของนั้นต้องสละกรรมสิทธิ์จากความเป็นของเราก่อนอันนี้เรายังไม่ได้สลักให้ใครเลยเรามายกใส่หัวแล้วขอบุญนี้ให้ไปถึงคนนั้นคนนี้เคยทํากันไหมมันนั้นมันยังไปไม่ได้ยังไปไม่ถึงเป็นเพียงแค่เจตนาจะให้ยังไม่สําเร็จผล เพราะการให้คือต้องให้จริงๆให้คือของนี้ไปไปตกเป็นของคนอื่นแล้วจึงจะชื่อว่าเป็นทานแล้วเราจะต้องสละของทานนั้นไม่ไม่ถือยึดถือเป็นกรรมสิทธิ์เป็นของตนเข้าใจยังต้องสละเอาไปก่อนจึงจะชื่อว่าให้บุญจึงจะเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วปับ๊บถ้าเราไม่อุทิศในเวลานั้นก็จะไปสะสมอยู่บนสวรรค์ไม่ได้บุญไม่ได้ตกค้างอยู่ในใจเราตลอดไปนะ มันจะไปสะสมอยู่บนสวรรค์เหมือนดังนายนันทิยะทําบุญกับพระพุทธเจ้าวิมานปรากฏอยู่บนสวรรค์แล้วหมายถึงว่าบุญเกิดขึ้นที่กระแสะแห่งใจแล้วไปรวมกันอยู่บนสวรรค์ไม่ใช่เกิดแล้วก็ค้างอยู่ในนี้ตลอดรอเรากวดน้ําอุทิศไม่ใช่อย่างนั้นนะเกิดปุ๊บไปอยู่บนสวรรค์เพิบทันทีแต่ถ้าเกิดกระแสะบุญขึ้นที่ใจปับ๊บและอุทิศปุ๊บก็ไปถึงบุ ญ, บญที่บุญที่อุทิศนั้นไปถึงญาติทันทีขยย่าง แต่ถ้าไม่อุทิศไปสวรรค์เป็นของเราเป็นของเฉพาะเราเท่านั้นหากเราไม่อุทิศในเวลานั้นก็ไปสวรรค์ทั้งหมดไปกวดน้ำอุทิศก็ไม่สำเร็จผลเขาไม่ได้รับส่วนมากทากันไม่ค่อยถูกต้องกันเท่าไหร่ นั่นอะไรเป็นเรื่องขวางขวางบุญให้คนตายไม่ได้รับสิ่งที่เป็นเครื่องขวางกั้นบุญที่คนตายไม่ได้รับหนึ่งเขาไม่สามารถเลือกเขาไม่เขาไม่ได้เลกถึงบุญที่เราอุทิศให้สองไม่อนุโมทนาในบุญที่เราอุทิศให้สากรรมวิบากบางอย่างที่เป็นโทษหนักทำให้เขาไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้รับบุญปิดกัน้นซ ดูถูกผลของทานดูถูกการให้ทาน 5. าตำหนิตีเตียนพระราตนไตบุคคลผู้นี้ปิดกั้นการรับบุญไม่ใช่ว่าพระราตนไตปิดปิดกั้นนะคือเขาไม่ได้รับเองโดยโดยธรรมชาติที่เขาเป็นอย่างนั้น บอกว่าผู้ที่จะได้รับผลบุญจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือผู้ที่อยู่ในข่ายรับบุญได้ข่ายรับบุญได้กับ อ, อ, อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะรับบุญได้ด้วยตนเองนี้กรณีกลุ่มที่2องนะคะญาติพี่น้องอุทิศบุญไปให้แล้วเนี่ยแต่ตัวเขาไม่สามารถจะรับได้ต้องมีวิธีดำเนิกนการหากเราอุทิศบุญไปให้ญาติแล้วญาติผู้นั้นไม่สามารถรับบุญได้ญาติเราอื่นจะรับบุญนั้น หากญาติเราอื่นไม่สามารถรับบุญได้ญาติเราอื่นอีกที่เกี่ยวข้องเรามาแต่อดีตชาติจะรับบุญนั้นแล้วก็มีคนถามว่าถ้าไม่มีญาติเลยล่ะบุญจะตกเป็นของใครคือไม่มีใครมีญาติเลยในในใ น, ในโลกทิพย์โลกวิญญาณอย่างเงี้พยพระเจ้าบอกว่าบุคคลผู้ไม่มีญาติในโลกทิพย์ไม่มีทุกคนมีหมดเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีใครมีญาติในโลกทิพย์นี่คือภาษาสระสาาาเรา ต, าตักเองนะ นั่นหมายถึงว่าเรามีดวงจิตดวงวิญญาณที่เกี่ยวโยงกัเรามาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่อสงไข่ในการเวียนว่ายต่ายเกิดนั่นแหะดวงจิตดวงวิญญาณนั้นรอรับผลบุญจากเรามีอยู่ไม่ใช่น้อยมีเยอะมากการทําบุญอุทิศกุศลจึงเป็นหลักสําคัญอย่างหนึ่งที่พวกเราพึงกระทําพระเจ้าจึงบอกพระมาบอกโยมอยู่เสมอว่ายะถาวริวารหาปุราภิิปุเรนติสาขลังเอวาเมว่าอิโตดินนางเปตานังอุปกปติคหมายถึงว่า จะทำบุญในคราวครั้งใดพึงระลึกถึงบุคคลผู้ละชีวิตไปแล้วแล้วอุทิศบุญให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอยู่เสมอนี้ถือว่าเป็นการอนุเคราะห์แก่บุคคลผู้เป็นญาติกับเราที่เขาละชีวิตไปไม่ว่าจะเป็นชาติในปางไหนก็ตามที่เคยเกี่ยวข้องกันมาแม้แต่เด็กๆอย่างเงี้ยก็มีญาติในโลกที่ที่รอรับผลบุญจากเขาอยู่อย่างเงี้ยญาติใครญาติมันนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับสายญาติที่เป็น สายญาติในโลกมนุษย์นี่นะคือญาติแต่ปางก่อนๆโน้นที่รอรับผลบุญนะมีมากมีมากมาอข้องใจนีนเจ้าว่าสมัยสมัยเมื่อก่อนในชีวิตยูเนาะแต่คนเสียไปเมื่อปีศูนย์เก้าแล้วนะเจ้าตอนที่คนมีชีวิตยูนี่เปิดชีวิตเปิเคยเข้าวัดเข้าวาเลยนะ แต่ส่วนใหญ่หันบ้างคนที่กินตามถเข้ากินตามนอกวัดมันมีควหมายอไก็ไม่เป็นไรทานนอกวัดก็ได้กไม่ปนว่าแต่กนยังเข้าวัดไม่น่ออันนั้นกินามเป็นหนึ่งนองควังไหมคะให้เขาตายที่จะตายตายไปที่นี้จะออกมาอันไหนใจเป็นความเชื่อให้ใจมีใจของคกว้า มันกังวลอยู่อะฮะว่าจะไหมที่่อบยังอยู่เนี่ยปอบบเคยเข้าวัดบบเคยยูงไงไหวพ่าดจะเปลี่ยนแค่ที่นีการที่เขาทำบุญหาได้ยินท่าจะรู้ว่าคือบางคนทำบุญหาแล้วแต่ละคนกับพ่ออ่ะตัวิ่นเขาจะมีวิธีได้ที่จะจวยปืนไตจะจุยปอก่อไม่ยากก็อธิษฐานใช่เรามีเราเป็นชาวพุทธเรามีพระรัตนตยเป็นที่พึ่งอยู่แล้ว แล้วก็ใช้อํานาจพระราชนาไตานั้นบรรดาลให้พ่อสามารถรับบุญจากเราได้ก็อธิฐานมาขออานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเปิดช่องเปิดทางเปิดโอกาสให้พ่อของข้าพเจ้าสามารถรับบุญจากข้าพเจ้าได้แล้วก็ทําบุญและอุทิศไปให้ได้อธิฐานเปิดทางอํานาจพระราชนาฏัยเปิดทางให้ท่านได้รับบุญไม่มีไม่ต้องไปทําวิธีอื่นให้มันยุ่งยาก ใช้วิธีการนี้เท่านั้นมีใครจะถามอีกไหมไม่มีใครถามข้อธรรไปพระนิพพานกันบ้างเลยหรือนี่นี่มีใครอยากไปพระนิพานมั้งอําเภอพานนี้ฮะก็เห็นอธิษฐานกันบ้านิพพานับปัจโยโหตักันอยู่นี่ อ น, นิพานประจำวันวันนี้อนิพานแล้ววันนี้อนิพานแล้วอาจารย์ค ะ, ะวันนั้นฟังเทศพอาจารย์มันจะมีคาว่าปกิจกจสมุปบาทสายเกิดกับสายดับวันนี้ก็ขอให้อาจารย์เปิดปัญญา คนที่ปฏิบัตินะฮะคนที่ไม่ปฏิบัติก็ให้เป็นสัญญาผิดในกิจภบชาติต่ อ, อไปคนที่ไม่ได้ปฏิบัติฟังเอาบุญเนอคนที่ปฏิบัติอยู่เอาเจริญสติเจริญปัญญานะปฏิจจะสมุบาตมีความหมายว่าทำอันอาศัยกันเกิดขึ้นคาว่าทำอันอาศัยกันเกิดขึ้นในความหมายนี้หมายถึงว่าโพงกล่าวถึงความทุกข์ เป็นผลหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราคือความทุกข์ความทุกข์มันอาศัยอะไรเกิดนะในความหมายนะพงจริงใช้คําว่าปฏิจจคืออาศัยอย่างอื่นเกิดไม่ทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันอาศัยอย่างอื่นเกิดการที่พองษ์ทรงบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่อาศัยองค์ประกอบอื่นเกิดนั่นอ่ะเท่ากับว่าถ้าเราจะดับทุกข์นั้นอ่ะเราจะไปดับที่ตัวทุกข์ไม่ได้เพราะความทุกข์ไม่ได้อาศัย ตัวมันเกิดคือรูโพูดได้ไงไม่มีตัวของมันเองความทุกข์ไม่มีตัวของมันเอ ง, ม, ม, ม, อ ง, ม, เองมันมาจากไหนล่ะที่นี่ไม่มีตัวของมันเองมันมาจากไหนทุกเพราะมาจากโพลบอกว่าการเกิดใช่ไหมชาติคือการเกิดไม่มีใครเกิดขึ้นมาในโลกนี้เลยสักคนหนึ่งจะมีใครทุกข์ไหมไม่มีค่ะไม่มีแสดงว่าความทุกข์มาจากการเกิดแต่จะทุกข์เพราะอะไรนั่นแหละเราก็ไปหาเอาในชีวิตประจำวันของเราอมันมีอยู่แล้ว ทุกความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดความไม่ได้ดั่งใจความปัจสถานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นความบีบคั้นทางกิดทางใจใช่ไหมล่ะเราเจอสิ่งเหล่านี้ความเศร้าโศกเสียใจครับแค้นพิริพิไลลำพันธ์อันนี้เป็นความทุกข์ในชีวิตประจำวันของเรามันมาจากการเกิดการเกิดมาจากไหนทําไมถึงมีคนมาเกิดในโลกนี้มันมาจากไหนถึงมีใครมีมาเกิดได้ยังไงการเกิดมาจากพบความมีอยู่ของพบเพราะความมีอยู่ของพบนี้เองจึงมีการเกิด แล้วพบมาจากไหนพบมาจากอุปทานการยึดมั่นถือมัน่นอุปทานมาจากไหนอุปทานมาจากอำนาจของตัณหาความอยากที่มันเถอเถยทยานที่แสดงออกในจิตในใจเราและบีบคัน้นจิตใจเราให้กระทำและตอบสนองกับมันเวลาเรากระทำอะไรต่างๆที่ตามความอยากแล้วมาตอบสนองความอยากมันจะสุบไก่คราวหนึ่งแต่มันจะทิ้งความทุกข์ไว้ให้เราเสมอ <c ười> คือทิ้งปัญหาให้เราได้รับแบกรับต่อไปองแหละ และความอยากนี่มาจากไหนความอยากมาจากเวทนาเวทนาคือสิ่งที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างอันนี้คือสิ่งที่เกิดวนเวียนอยู่ในชีวิตเราสิ่งที่เป็นสุขเราอยากได้สิ่งที่เป็นทุกเราอยากให้มันหายไปสิ่งที่ไม่สุขไม่ทุกเราเฉยเฉยไอเฉยๆนี่คืออยากอย่างหนึ่งนะคือคือมันเป็นความอยากที่แฝงเล้นอยู่ในความไม่รู้ อย่างเงี้ยพอเรา เ, เวลาเราเฉยเเราจะปล่อยจิตปล่อยใจแบบไ ม, ไม่มีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เป็นธรรมดาธรรมดาไปเฉยเฉไปนีนก็คือเป็นเป็นความอยากชนิดที่กลางๆนิ่งๆอยู่มันยังไม่แสดงตัวแต่สิ่งที่จะแสดงตัวชัดก็คือเวลาสุขเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหรืออยากให้สุกคงอยู่เวลาทุกข์เกิดขึ้นอยากให้ทุกข์ดับหรือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเนี่ยประเภทเนี้นี่ความอยากมาจากเวทนาแต่เวทนาก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยลําพังของมันเวทนาก็มาจาก ผัสสะคือสิ่งที่เราสัมผัสเกี่ยวข้องสัมผัสสิ่งที่เป็นสุขก็เกิดสุขเช่นมีคนมาด่าเราเออมีคนมาชมเราพูดดีแต่เราเราก็มีความสุขมีคนมาด่าเราเราก็ทุกข์เพราะนั้นเราสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะให้สุขให้ทุกข์กับเราแสดงว่าสิ่งที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ในชีวิตของเราได้ไม่ได้เกิดจากใครที่จะบั น, บนดาลให้เราทุกข์ได้แต่เกิดจากการเราไปสัมผสัมผสกับสิ่งนั้นมันจึงมีสุขมีทุกข์ขึ้นมาอย่างเงี้ยสุขกับทุกข์ จึงสร้างความพอใจไม่พอใจในชีวิตและมันก็มาจากการเขา้าที่เราเข้าไปสัมผัสทางตาสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ดมกลิ่นสิ่งที่เลียมรสสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสถูกต้องและสิ่งที่เกิดกับจิตก็คือบรนดาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งอารมณ์ดีทั้งอารมณ์ไม่ดีทั้งอารมณ์กลางๆเราเนี่ยนํามาซึ่งเวทนาคือความสุขความทุกข์ความไม่สุขม่ทุกข์และภาษาเนี่ยมาจากไหนภาษามาจากอายตนะ อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเลยเกิดก่อให้เกิดภาษาอายตนะมาจากไหนอายตนะก็มาจากความมีอยู่ของนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะนามรูปก็คือกายกับจิตเมื่อมีกายมีจิตจึงมีอายตนะขึ้นมาเพื่อรับรู้รับทรา บ, บรับสัมผัสต่อสิอ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอย่างเงี้ยนามรูปคือกายกับจิตนี่มาจากไหนอย่างเงี้ยมาจากการ ปฏิสนธิวิญญาณคือการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อในปฏิสนธิวิญญาณ น, นี้มันเป็นการเชื่อมต่อในปฏิสนธิวิญญาณโดยการที่ <_' S 1> เราไม่เข้าใจระบบของสังขารมันจึงก่อเกิดปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราไม่เข้าใจระบบของสังขารตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่คงทนถาวร สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนของตัวเองการที่เราไม่รู้จักสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตามความเป็นจริงนี่แหละมันจึงเกิดการปฏิสนธิวิญญาณคือการเชื่อมต่อของขันคือขันสืบเนื่องกันเมื่อขันมีการสืบเนื่องกันมันจะเกิดการย่างลงของอุปทานขันอุปทานขันนั้นหมายถึงว่าระบบสืบต่อของขันที่มันยึดถือกันอยู่และเราไม่อยากจะยึดถือมันก็ยึดถือเช่น ทำบุญไปเราไม่อยากเราไม่อยากจะได้บุญเราก็ได้ทำบาปไปเราไม่อยากจะได้บาปเราก็ได้ทำดีไปเราไม่อยากจะได้ดีเราก็ได้ทำชั่วไปเราไม่อยากจะได้ชั่วเราก็ได้เพราะนั้นเป็นเป็นอุปทานของขันที่มันยึดถือกันอยู่มันเป็นเรื่องของขันที่ยึดถือกันอยู่ืแต่ถ้าเรารู้รู้จักสังขารตามความเป็นจริงแล้วทำบุญเราก็ไม่ได้ยึดขันมันก็ทำไปตามระดับของขันไม่มีการยึดพระเจ้าจึงกล่าวถึงบุคคลผู้สามารถดับความทุกข์ได้ว่า บุญยะปาปะปะหีนะบุคคลบุคคลผู้สามารถรับบุญละบาปไปแล้วนั่นแหละจึงชื่อว่าผู้พ้นจากความทุกข์ได้จริงเพราะตราบดายังยึดถือบุญและบาปอยู่ยังไม่สามารถพ้นทุกข์ได้จริงเพราะบุญและบาปยังเป็นสังขารคือกุศลสังขารกับอกุศลสังขารสังขารเหล่านี้ยังปรุงแต่งให้เกิดขันที่เป็นสุขขันที่เป็นทุกข์คือชีวิตที่ดีกับชีวิตที่มีดีได้คือยังมีกายที่ดีพูดง่ายว่า บุญบรรดากุศลสังขารสามารถปรุงแต่งพบชาติที่ดีในความเป็นมนุษย์เทวดาและผมอกุศลสังขารสามารถปรุงแต่งพบชาติที่มีดีคือเปรตพิภูษษานสุนก ร, สรกายสารนรกนะฮะนี่คือการปรุงแต่งแต่เมื่อเรากระทำสิ่งใดก็ตามเป็นบุญเป็นบาปด้วยความที่ไม่รู้ที่เราก็ทําลงไปและเราทําแล้วเพราะไม่รู้จึงเกิดการยึดถือเป็นอุปทานน้องขันที่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเนี้ เราจึงได้ทั้งบุญและบาปและส่งผลให้เกิดนามารูปนามารูปก่อให้เกิดอายตนะอายตนะก่อให้เกิดผัสสะผัสสะก่อให้เกิดเวทนาเวทนาก่อให้เกิดตัณหาตัณหาก่อให้เกิดพบพบก่อให้เกิดการเกิดในภพใหม่การเกิดในภพให ม, ใใหม่จึงมีความแก่ความเจ็บค ว, acies, ความตายและทุกข์ต่างๆนานาประการตามมาเพราะฉะนั้นวิธีที่จะดับความทุกข์ไม่ใช่ไปดับที่ตัวทุกข์แต่มาดับที่ตัวอวิชาสร้างความรู้ที่อาจารมาพูดตั้งแต่แรกๆเลยสร้างความรู้ ในสังขารให้ถูกแล้วสังขารที่พูดถึงกุศลสังขารอากุศลสังขารเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ากุศลสังขาเรเลือกกุศลสังขารเนี่ยใครเป็นผู้กระทําในสองอย่างนี้ใครเป็นผู้ทําบุญทําบาปในโลกนี้ตัวเราใช่ไหมมนุษย์นี่แหละเป็นผู้กระทำทีนะี้เมื่อมนุษย์เป็นผู้กระทำกระทําด้วยไปด้วยแรงแห่งความยึดมัน่นถือมั่นทําทบุญได้บุญทําบาปได้บาปแม้ไม่อยากจะได้ก็ต้องได้เพราะมันมีแรงแห่งความยึดมั่นถือมั่นอยู่ พ่อไม่รู้ในสังขาร น, นั้นเมื่อทําลงไปปุ๊บมันต้องได้แต่เมื่อเรารู้ในสังขารคือกายกับใจที่มาจากกายของเรานี่มาจากกุศลสังขารคือพบชาติความเป็นมนุษย์นี่ปรุงแต่งมาด้วยบุญอันที่มันไม่ดีก็มาจากสิ่งที่เป็นอกุศลร่างกายที่เจ็บป่วยจา่างกายที่มันไม่สมสวนะ่วนอะไรมันมาจากอากุศลที่มันตามมาให้ผลคือมีทั้งบุญทั้งบาปแหละปะปนอยู่ในร่างกายของเรา นั่นหมายถึงว่าตัวสังขารที่เป็นตัวแสดงออกถึงผลบุญและผลบาปที่มีอยู่ในตัวเรานั้นแหะเราจะต้องมาทําความรู้ความเข้าใจในกายของเราเองคือท่าสี่กับขันห้าทาสี่กับขันห้าก็คือกายกับจิตนี้ที่เราจะต้องรู้จักและทําความเข้าใจกายคือท่าสี่ดินน้าไฟลมขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นระบบที่ทําการาทากระทาการร่วมกันระหว่างรูปกับดมที่ ผลักดันให้เรากระทําสิ่งต่างๆลงไปด้วยความไม่รู้หากเรามีความรู้ในกายว่ากายไม่ใช่เราเป็นเพียงแค่าธาตุทั้ง4ดินน้ําไฟลมจิตคือนามสีมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเน่ยเป็นนามคาว่านามหมายถึงว่ามันไม่ใช่รูปมันเป็นเพียงแค่อาการที่ปรากฏปรากฏว่าเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างปรากฏเป็นเรื่องของความจําปรากฏเป็นสิ่งที่เรื่องเป็นสิ่งที่ต้องคิดและเป็นปรากฏเป็นวิญญาณการรับรู้ เนี่ยคือน้ำทั้ง4ี่ธาตุสีกับน้ำสีอาศัยกันอยู่จึงเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติจิตก็เป็นเพียงแค่อาการของนามตามธรรมชาติที่มันเกิดและปรากฏตามสิ่งที่มาตอบสนองและเป็นบุญเข้ามาในชีวิตแล้วก็น้มให้เราได้กระทาเราก็ได้ทําแล้วบุญก็ตกเป็นของเราบาปเข้ามาในชีวิตแล้วก็น้มให้เราได้ทํามีกําลังพอที่จะดึงกินให้เราได้กระทาต่อมันได้ และเราก็ทําบาก็ตกเป็นของเราเมื่อเรารู้และเข้าใจกายนี้ตามความปจริงและวก็รู้จิตนี้ตามพอจริงโดยเห็นกายนี้อยู่เนืองเนือง บ, อบ่อยอยู่เสมอว่าเป็นเพียงแค่ธาตุสีดินน้าไฟลมซึ่งจะต้องรอวันแต่สลายในอนาคตตการงทางหน้าจิตก็เป็นธรรมชาติที่รับเอารมกระทบเกิดและกระดับเกิดและกระดับสุกเกิกด ข, กกขึ้นและกระดับไปทุกเกิดขึ้นและกระดับไปไม่สุกไม่ทุกเกิดขึ้นและกระดับไปเราตามรู้ตามดูตามเห็นสภาพแห่งความเป็นสุขเป็นทุกข์ในจิตในจิตเรา ที่เกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับอย่างนี้อยู่เสมอเสมอรเราจะไถ่ถอนการยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งปวงที่อยู่ในจิตของเราว่าเป็นเราขึ้นมาได้เมื่อเราไถ่ถอนความรู้สึกนี้ออกไปได้ปับ๊บเราก็จะเห็นความความมีความเห็นที่ถูกต้อง2ด้านคือด้านกายกับด้านจิตกายไม่ใช่เราเพราะมันเป็นดินน้ำไฟลมจิตก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ที่เกิดกระทบดับลงไปเกิดระดับหาที่ตั้งมั่นให้ยึดถือในขณะใดขณะหนึ่งไม่ได้เพราะมันเกิดและกระดับไปทุกๆุกขณะฉะนั้น เมื่อเรามองเห็นกายให้จิตอยู่ว่าไม่ใช่ตัวของเราเราจะทาอะไรก็ตามลงไปด้วยกายและจิตนี้จะเป็นในด้านบุญหรือด้านบาปเพราะบางทีมันมีเผลอทาอยู่ด้านบาปบุญและบาปจะไม่สืบเนื่องมาหาเราไม่ตกเป็นของเราเพราะเราทำลายความเห็นผิดในกายในจิตนี้เราได้แล้วว่าไม่ใช่ของเราเพราะบุญและบาปอาศัยเราเป็นผู้กระทาเมื่อเราวางกายวางใจได้แล้วว่าไม่ใช่ตัวเราหรือว่าทาลายความเป็นตัวตนในกายในจิตได้บาป และบุญทั้งหลายก็ถูกละเองอัตโน ม, มัติตัวตนของเรามีอยู่สองภาวะตัวตนในกายอย่างหนึ่งตัวตนในจิตอย่างหนึ่งตัวตนในกายนี้พระโสดาบันละได้ด้วยการละสักยทิฐิความเห็นผิดตัวตนที่มีอยู่ในกายไม่มีแต่ยังมีหลือตัวตนในจิตซึ่งตัวตนในจิตนี้ยังนอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ซึ่งเป็นการมราคะปฏิฆารูปราคาอรูปฆ า, าอุทจฉามานะอวิชชาตัวตนเหล่านี้เป็นอัตานุทิฏฐินนในจิตที่ยังครอบงามและ สร้างกิเลสอยู่ในกิจใใจเราอยู่เพราะฉะนั้นตัวตนทั้งสองประการนี้โสดาบันละตัวตนที่เป็นสักยัิทีได้ส่วนตัวตนในชั้นเบื้องบนต้องละด้วยนะอัตานุทิฏฐิที่ละด้วยอรหัตมรรมทั้งหมดถึงจะสามารถทำลายได้หมดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าความไม่รู้จึงชื่อว่าเป็นสมุทัยวานคือสายวานละแวะวาสาย สายหรือห่วงโซ่แห่งการนำเกิดซึ่งความทุกข์และหาบุคคลใดก็ตามดับอวิชานี้ได้ด้วยวิชาคือเกิดความรู้ตามความเป็นจริงดับอวิชานี้ได้ด้วยวิชาอันนั้นก็คือดีโลดวานเมื่ออวิชาดับสังขารก็ดับสังขารคําว่าสังขารดับหมายถึงว่าไม่เป็นผู้ทําบุญไม่ใช่ไม่ได้เป็นไม่ได้ทำบุญไม่ทํำบาปไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าคําว่าสังขารดับหมายถึงว่าไม่มีการยึดถือ หรือสืบต่อของกุศลสังขารและอกุศลสังขารอีกในภพชาติพระโสดาบันไม่สืบต่อกุศลสังขารกับอกุศลสังขารในภพชาติที่8แต่จะสืบต่อแค่7จ็พระสกัดาคามีจะไม่สืบต่อกุศลสังขารอกุศลสังขารในภพชาติที่2จะสืบต่อแค่ภพชาติเดียวพระอนาคามีจะไม่สืบต่อกุศลสังขารอกุศลสังขารในกา마ชาติคือเทวดามนุษย์พรหมแต่จะสืบต่อกุศลสังขารในสุทาวาทพรหมพระอรหันต ไม่สืบต่อกุศลสังขารและอกุศลสังขารทั้งปวงในพบในไหนจะมีการสืบต่ออีกเพราะเป็นผู้เข้าถึงนิพพานอย่างเท้าวอนแล้วอย่างเงี้ยเมื่ออวิชชาดับไปสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปดับเมื่อนามลูปดับภาษาดับเมื่อภาษาดับเบทานาดับเมื่อเบธานาดับตัณหาดับตัณหาดับประานดับเมื่อประธานดับพบดับเมื่อพบดับการเกิดอีกก็ดับ พอสวดอบันไม่เกิดอีกในภพที่แปดสกาธาคามีไม่เกิดอีกในภพที่สองอาณาคามีไม่เกิดในกาลมาภพ阿拉หัน์ไม่เกิดในภพนไหนเมื่อการเกิดดับทุกมีไหมไม่มีหมดผู้เยาจึงแสดงปฏิจจุบตัตสิ่งที่ทุกที่อาศัยเหตุปัจจัยเหล่านี้ยก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีห่วงโซ่ข้องมันอยู่เพราะนั้นอวิชา ที่เป็นตัวครอบนาจิตใจเราทั้งปวงคือมูลเหตุหรือรากเง้าแห่งความทุกข์ที่เชื่อมเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่ห่วงโซ่เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยก่อเกิดความไม่รู้เป็นปัจจัยก่อเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยก่อเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยกิดก่อเกิดนํารูปอย่างเงี้ยจนก่อเกิดทุกข์ให้กับชีวิตของเราและเราก็คือตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความไม่รู้ที่เป็นปัจจัยส่งผลมาตามห่วงโซ่แต่ละขณะดขนาขนาอย่างที่พูดถึงนี้ทีนี้พระเจ้าบอกว่าการที่จะทําลายความไม่รู้น จะต้องทํำลายโดยการสร้างความรู้ขึ Strike ้นมาเราไม่รู ee, ้อะไรเราไม่รู้อยู่ในสังขารไม่สังขารที่เราไม่รู้คือไม่รู้อยู่ในสังขารใน8ประเภทคือไม่รู้อดีตของสังขารไม่รู้อนาคตของสังขารไม่รู้ปัจจุบันของสังขารไม่รู้ทุกในสังขารไม่รู้เหตุให้เกิดทุกในสังขารไม่รู้ความดับไปของทุกในสังขารไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกในสังขารและไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทในสังขาร อวิชาแปเวลาเราจะทําลายความไม่รู้นี้เราต้องสร้างความรู้ขึ้นมาเมื่อเราไม่รู้สังขารในอดีตแล้วก็มารู้อสังขารในอดีตสังขารในอดีตมีไหมพูดง่ายแบบตัวตนเราในอดีตมีไหมไม่มีตัวตนเราในอนาคตมีไหมไม่มีตัวตนเราในปัจจุบันมีไหมไม่มีอ๋อเลยที่นั่งอยู่นี่คืออะไรไม่มีเหรอรำำถูกต้องเป็นเพียงแค่รูปประทามกับนมามธรรมตัวตนของเราไม่มีรูปกับรูปประทามกับนมามธรรมมัน มันทำงานหรือว่าเป็ น, นกลไกเป็นระบบเป็นระบบที่ทรงตัวหรือรักษาสาภาพแห่งความเป็นอยู่ของมันตราบเท่าที่อายุไขยังไม่มาถึงมันก็ต้องกระทําการรักษาตัวมันไว้เนี่เป็นระบบของขันเป็นระบบของสังขารปัจจุบันไม่มีตัวเราน ะ, ะมนีแค่ธาตุสีขัน5เห้ า, น, า น, นั้นนี่นั่งอยู่ตัวเราไม่มีแต่ก็ยังเหมาว่าเป็นตัวเองอยู่นั่นแหละเนาะก็ธรรมดา ไม่รู้ทุกรู้ไหมทีนี้รทุกหรือสุขชีวิตเราเอ้าสุขหรือทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทุกมากรู้แล้อยังอะไรทีนี้มันทุกเบื่อแล้วแล้วแต่ก่อนทำไมไม่รู้ล่ะทุกจนเบื่อแล้วนะไม่อยากจะเกิดไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะเนี่ยแหละคือประโยชน์ของกันการรู้จักทุกรู้จักเหตุหรือยังเหตุมาจากอวิชชารู้จักความดับไปของเหตุหรือยัง เมื่ออวิชชาดับเหตุเหล่านี้ทุกขังหมุดก็บดับรู้จักทางปฏิบัติเพื่อเข้าไปดับเหตุหรือยังรู้แล้ววันนี้บรรลุทํากันลเลยเนี่ยรู้จักปฏิสุบัติยังก็กำลังอธิบายอยู่นี้ใช่ไหมมันก็ครบแปดอวิชชาก็ถูกทําลายทำลายทำลายขนาดที่เรารู้ก็ถูกทำลายแต่ขณะที่ไม่รู้ก็ปกคุมอีกครอบงำอีกเหมือนเดิมขณะที่รู้มันก็ถูกทํำลายขณะไม่รู้มันก็ครอบงำขณะใดก็ตามที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นอวิชชา ขนอะไรก็ตามที่เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นวิชาเดี๋ยวมันก็วิชาวิอวิชาวิช า, วชาอาวิชาอย่างเงี้ยสลับกันจนวิชาแก่กล้าขึ้นมาทําลายวิชาได้หมดสิน้นอันนั้นมันถึงจะดับความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างท้าวรรู้วิธีดับหรื อ, อยังรู้แล้วก็ดําเนินตามที น, นี้รู้แต่ทำไม่ได้เนรู้แต่ทําไม่ได้นี้ต้องไปเข้าคอร์สนั่งไง อะไรมดนึ่งมดขึ้น ม, ม ด, น ม, ดนมดมดมดมมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดนดมดมย่ดมดนดมดมดมดมดมด้ดมดมดมดมดมดดมดมดมมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมดมมดมดมดมนมดมดมดามดมดมดมดมดมม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 จเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานจเจริญด้วยวันณนะมีผิวพรรณผ่องใสจเจริญด้วยสุขามีความสุกกายสบายใ จ, จเจริญด้วยภาระมีกําลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงและขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีฤทธิ์มีอนุภาพมาลายสิ่งชั่วร้าย ท, าทั้งปวงออกไปจากชีวิตของพวกเราจงบันดาลสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตนุนนําจิตใจของพวกเราทุกคนให้ก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงก้าวล่วงเวรภัยทั้งปวงก้าวล่วงความเดือดร้อนทั้งปวง เก้าล่วงอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบนันการและอนาคตการเทิน